วันนี้เป็นวันที่สามวันที่สามกรุมพาพัน์พุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันแรงสิบห้าค่ำเดือนสองวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสองวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์ด้วยเมื่อเช้าพระสงฆ์ที่ลงอุโบสถพระสงฆ์ที่ลงอุโบสถที่วัดป่าบันตากเมื่อเช้านี้ ส4 2รสรูปอ่แล้วก็มีพระช่างฝ่ายฝ่ายนิกายท่านมาร่วมด้วยานมาช่วยงานส5้ารูปรวมทั้งหมดพระที่มาร่วมพระที่อยู่ในวัดของเราขณะนี้สามรห้าสิบเจรูป่าไม่ใช่พระน้อยนะคะทศไทาญาติโยมลูกหลาน<ม>ทุกทุกท่านนะา พระกำลังหลังไหลเข้ามาเพื่อดูแลเพื่อช่วยงานองค์หลวงตาของพวกเรางานของหลวงตาพวกเราก็รู้สึกว่าไปได้ดีไปได้ดีไม่มีอุปสรรครู้สึกว่าการทำงานของคณะส่วนราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเราแล้วก็ฝ่ายพระสงฆ์ก็กำลังเตรเียมความพร้อมของงานทุกอย่างคงไม่มีปัญหาคิดว่า ถึงวันนั้นก็คงจะไปได้ดีผมไม่มีเรื่องที่จะต้องหนักใจเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าการทํางานของพระสงฆ์หรือของคณะสหาญาติโยมเพราะนั้นผู้ที่อยู่ไกลคงจะเป็นห่วงวิตกกังวลโอ้งานของหลวงตาเรานี่เป็นยังไงนะ้อหลวงพ่อขอแจ้งข่าวให้ผู้ที่อยู่ทางไกลโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่รักเคารพในองค์หลวงตา อยากจะทราบว่า ง, งานของลูกตานี่ไปยังไงถึงในโกคณะลูกหลานทางนี้นะทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะทายาิโยมจะช่วยกันดูแลและทำหน้าที่ให้ดีทีส่สุดแล้วก็ทำด้วยน้ำจิตน้ำใจทำเพื่อหวังบุญกุศลไม่ได้หวังเพื่ออย่างเอ่ญอย่างเื่นเราสสแสวงหาทางนอกได้แต่คราวนี้เรา ส, ะสะแสวงเพื่อบุญเพื่อกุศล หลวงปู่ลีของเราเนี่ก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีเดี๋ยวนี้ท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ดูแลลูกหลานน้องนุ่งอยู่ตลอดนะแล้วก็หลวงปู่บุญมีนานๆจะเข้ามาแล้วหลวงปู่อุทัยหลวงปู่ทวยนะหลวงปู่ทุยดงศรีจงพูหลวงปู่อุทัยกัน เ, เมื่อวานเนี่เห็นแซปเข้ามาแต่ถึงยังไงก็ตามครูบาอาจารย์ ท่านยังให้ความรักเคารพในองค์หลวงตาสม่ำเสมอแต่ท่านผู้ใดก็ตามที่อยากจะมาช่วยงานข่าวนี่เป็นงานครั้งสุดท้ายขององค์หลวงตาจะแล้วไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเฉพาะร่างนี้เท่านั้นนะท่านจะไม่มาเกิดอีกท่านปร ะ, ประกาศอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นเราก็พูดตามคําที่ท่านพูดเราจะไม่มาเกิดอีกเป็นอนันตาการตัวนั้นพวกเรามาร่วมกันทําบุญครั้งนี้เป็น มาเพื่อแสดงความศักการะหรือว่าแสดงความกระตันยูอย่างสุดจุดอย่าได้บอกอย่าได้กล่าวกันอย่าได้ขอร้องกันให้มาด้วยน้ําจิตน้ําใจถ้ามาด้วยน้ําจิตน้ําใจนั่นแหะจะสวยงามจะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นขอบอกกล่าวให้ทุกระดับขอให้ทุ่มเททางจิตใจช่วยๆกันอัตมาภาพว่านะเพราะฉะนั้นงานนี้ขอให้ทุกคนหวังบุญหวังกุศล หวังความบริสุทธิ์ผดผ่ดองหวังทำให้ดีที่สุดเพื่อบูชาพระคุณองค์ล่งตาลรงตาเนี่เป็นผู้มีพระคุณอย่างไรไม่ต้องบันลายายจุดนี้นะพวกเราเต็มเต็มหัวใจ ท, ทุกคนที่เป็นสิทธิานุสิ์อา้าวละพรนะท่้นะี่นนา